นมัสการหลวงพ่อแล้วครับพอาจารย์มงคลด้วยครับเอ่อสหรับคอสนี้ก็เป็นคอสเต็มคอสแรกกับหลวงพ่อมหาดิเลกครั้งนี้ผมถือว่าผมประสบความสำเร็จค่อนข้างมากกับความตั้งใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอ่อมันมีความสับสนระหว่างกระบวนการของการปฏิบัติแบบสมถะครับมีปัิศนาซึ่ง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 ในการที่จะระงับทุกข์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปคล้องเกี่ยวกับมันแม้จะเป็นการยากก็ตามแต่ถ้าเรามีความเพียรไม่ใช่ทั้งใจนะฮะคือความเพียรเราก็จะะสมกับเสริฐในวันหนึ่งผมคิดว่าเช่นนั้นคือคือสมถะจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจไม่ช่วงวันที่สองซึ่งว่าจริงๆการนั่งหลับตาทำสมถะ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 เราก็สามารถอยู่กับมันได้แต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงมันเลยเป็นเพียงที่ต่างกันมากครับเช่นสมมติว่าคนมีที่ทํางานอย่างที่ผมอย่างผมเนี่ยผมทํางานอยู่มีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วม ง, งานเนี่ยก็จะมีอยู่สองสาคนคนหนึ่งจะมีอีโก้สูงอีกคนหนึ่ง ก็มีจิตใจที่ดีและมองโลกในแงด่ดีผมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับลิ้นกับฟันคนหนึ่งเขาชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบคือไว้ง่ายเวลาทำงานเนี่ยเขาทำงานไปคนละทางเช่นคนนี้บอก A ดีกว่าอีกคนนึงบอก B ดีกว่าแล้วก็หาพวกอย่างผมเนี่ยจะเข้าไปพวกไหนดี A หรือ B A หรือ B ผมก็ดูตามสถานการณ์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 ผมบอกเออมันก็แค่เหมือนอ้ายอมยอ ม, ยอมไปก็คือจบไปอะไรเงี้ยก็ให้รู้ว่าตรงนั้นแต่ว่ามันมีในใจลึกๆว่าที่จริงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยทางนี้มันดีกว่าทําไมเราต้องเลือกเพียงแต่ว่าเราต้องการพืให้บรรยากาศภายในการนี้ที่ทํางานนี้มันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ตามเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็เจอคนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเป็นต่างชาติก็เอย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 มันเป็นการเปลี่ยนพริกมุมมองในจิตใจคือถ้าเรียกว่าก็เป็นรูปนามธรรมาเนี่ยที่อยู่ในใจที่เราเนี่ยเราสามารถค้นเข้าไปลบมองในความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยมันจะวางได้เราก็ต้องวางทั้งคู่อ<า>่ะใช่เราต้องวางทั้งคู่ก็มองไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของพิพัธศนามันทุกอย่างมันก็คือแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเอง ใช่เราก็วางตัวเป็นกลางวดโนวดโนหรือไม่ก็กากระบาดเลยแล้วสถานการณ์เข้าไปเทคไซอะเมื่อเดี๋ยวก็แงเมื่อดก็เติลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องเทคไซจริงๆเนี่ยเราก็วางวางใจของเราเป็นกลางโดยเราไม่ต้องไปอิงกระแสพี่หมายว่าทำตัวให้กลมกลืนยากครับ <c oughs>